ถึงการปฏิบัติธรรมหลายคนก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากบางคนก็ถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องสูงส่งนะที่ยกผู้ปฏิบัติให้พิเศษกว่าคนอื่นแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยพอพูดถึงการปฏิบัติธรรมก็หลายคนก็นึกไปถึงว่าเนี่ยโอ จะต้องหาเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมถูกต้องคู่ควรกับการปฏิบัติเช่นนุ่งขาวห่มขาวถ้ามาปฏิบัติแล้วไม่ได้นุ่งขาวห่มขาวก็ดูกระไรอยู่นุ่งขาวห่มขาวแล้วไม่พอบางทีก็ต้องขวนขวายหารองเท้าที่มันเข้ากับเสื้อผ้าก็กลายเป็นเรื่องของการ ประดิษฐ์ประดอยปรุงแต่งหรือว่าทำให้เรื่องที่ควรจะเรียบง่ายกลายเป็นเรื่องยากพอหารองเท้าแล้วมาสวมใส่ให้เข้ากับชุดขาวแล้วเนี่ยต่อไปก็ต้องคิดถึงเรื่องของกระเป๋าน ะ, ะกระเป๋าถื อ, อมันก็ต้องขาวเหมือนกันแล้วก็ต้องดูดี ให้คู่ควรกับภาพนักปฏิบัติบางทีมันก็เลยกลายเป็นความปรุงแต่งเกินเลยและทีหลังก็ต้องคิดถึงเรื่องของการหาอาสนะหาอาสนะมาให้มันเข้ากับเสือ้อ มันจะได้รู้สึกว่าพี่ฉันเป็นนักปฏิบัตินะบางทีมันก็เลยมีกับพี่ต่างๆพ่อขึ้นมาก็ทำให้หลายคนเลยรู้สึกว่าการปฏิบัตินี่มันนะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะเป็นเรื่องพิเศษ ที่แยกออกไปจากชีวิตประจำวันยิ่งพอมีคนพูดว่าเนี่ยปฏิบัติแล้วเห็นสีเห็นแสงกกลายเป็นเรื่องอวิเศษมหัศจรรย์ขึ้นมาจริงๆการปฏิบัติมันไม่ใช่อย่างนั้น มีสิทธิ์คนหนึ่งนะบวชใหม่ก็ไปหาอาจารย์เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติที่เ ม, มืองจีนเมื่อสักสามสี่ร้อยปีก่อนอาจารย์นี่ก็มีชื่อเสียงมากคนก็นับถือสำนักท่านก็เลยมีคนมาปฏิบัติเยอะ ไม่มีพระหนุม่มก็มาค า, าราวะอาจารย์ท่านนี้นะก็แล้วก็บอกว่าโปรดแนะนำการปฏิบัติให้กับกระผมด้วยท่านก็นถามว่ากินข้าวหรือยังกินแล้วครับอานั่นก็ไปล้างจานการล้างจานนี่ก็เป็นการปฏิบัตินะ พระหมายอยากจะให้อาจารย์แนะนำการปฏิบัติอาจารย์ก็ทําตามที่พระหมายต้องการนะคือว่าเมื่อล้างจานแล้วเอ่อเมื่อกินข้าเราก็ต้องไปล้างจานคือการทำหน้าที่ให้มันถูกต้องการทำหน้าที่ให้ถูกต้องอ น, นี่ก็เป็นการปฏิบัติแต่ที่จริงมันไม่ใช่แค่ทำหน้าที่หรือว่าทำกิจอย่างเดียวนะมัน รวมไปถึงการทําจิตด้วยแต่ต้องเริ่มต้นจากการทําหน้าที่ให้ถูกต้องไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นการกินข้าวเป็นการล้างจานหรือเป็นการทํางานกวาดบ้านกวาดบ้านเสร็จก็ต้องวางไม่กวาดให้เป็นที่นี่คือการปฏิบัตินะ ธรรมะเนี่ยถ้าอาจาพุทธทาสให้ความหมายหนึ่งว่าคือการทําหน้าที่หน้าที่ทั้งต่อรูปต่อร่างกายหน้าที่ต่อน้ำคือจิตใจหน้าที่ต่อรูปคือว่าดูแล ร, รูปดูแลร่างกายให้มันดีนะไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยเมื่อหิวก็กินเมื่อกระหายน้ําก็ดื่มเมื่อปวดท้อง ก็เข้าห้องน้ำนี่คือการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าเราทำหน้าที่อย่างถูกต้องซึ่งมันก็ขยายความไปถึงว่าไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นคุณต่อร่างกายก็อย่าไปแตะต้องอะไรที่เป็นโทษต่อร่างกายก็อย่าไปคล้องแวะเนี่ยเช่นเราบุหรี่อันนี้มันก็เป็นข้อปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคำว่าทำหน้าที่ต่อร่างกายให้ถูกต้อง หน้าที่ต่อจิตใจก็เหมือนกันนะหน้าที่ต่อจิตใจคือว่าอย่าไปเพิ่มทุกข์สร้างทุกข์ให้กับจิตใจแต่เดี๋ยวนี้เราไปสร้างทุกข์ให้กับใจมากมายไปหมกมุ่นคุณคิดกับอดีตที่เจ็บปวดไปหมกมุ่น ก, กังวลกับภาพอนาคต ที่เลวร้ายน่าเป็นห่วงทั้งทั้งที่ยังมาไม่ถึงบางทีก็เกิดความระแวงคนนั้นคนนี้ทั้งๆ้งที่เขายังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ก็คิดลบคิดร้ายไปล่วงหน้าแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเติมทุกข์ให้ใจมันก็ไม่ใช่เป็นการทําหน้าที่ต่อใจอย่างถูกต้องหรือว่ามีความโกรธ มีความเกลียดเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเผาหลนใจกรีดแทงใจแทนที่จะรู้จักขจัดปัดเปล่าออกไปเวลาเราถืออะไรหนักๆ น, นี่เราก็อยากจะทิ้งอยากจะวางเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ของหนักเลยแม้จะเป็นของเบาๆเช่นขวดขวดน้ําเปล่าไอตอนที่น้ํายังอยู่ในขวดนี่ก็จับอย่างทนุถนอมเหลือเกินแต่พอดื่มน้ําหมด หลือแต่ขวดเปล่าหลายคนก็ทิ้งเลยนะลงข้างทางาสองข้างทางมายัางวัดป่าสุกโตนี่มันจะมีขวดน้ำเปล่าหรือว่ากล่องน้ำผลไม้ที่คนทิ้งแล้วนะเรียราชอยู่สองข้างทางส่วนใหญ่ก็คนก็โยนทิ้งนะตอนที่อยู่บนรถ เช่นรถประจำทางหรือว่ารถเก๋งทำไมถึงโยนทิ้งพอไม่อยากถือเอาไว้ถือแล้วมันเมื่อยท่านังที่ถ้าหากว่าสิ่งที่ควรทำคือว่ารอสักหน่อยพอเจอถังขยะแล้วค่อยทิ้งแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่นี่ส่วนใหญ่จริงๆนะคือพอ มีขยะอยู่ในมือเม่่าจะเป็นขวดเปล่านะกล่องเปล่ามันกลายเป็นขยะไปแล้วเพราะว่าน้ำก็ดูดหมดแล้วนะก็ทิ้งเลยนะเพราะอะไรเพราะมันเมื่อยถ้าถือเอาไว้แต่ใจนี่มันไม่一样งนันเลยนะเวลามีขยะสิ่งที่เป็นพิษเป็นอันตรายต่อจิตใจนีใ่ใจนี่มันกลับหวงแหน สิ่งนั้นคืออะไรคือความโกรธเวลาโกรธใครนี่มันหวงแหนความโกรธเหลือเกินเพียงแค่ให้อภัยความโกรธก็หายไปแล้วแต่ไม่ยอมให้อภัยเพราะว่ากลัวความโกรธมันจะเลือนหายไปบางคนกลัวลืมโกรธนะกลัวว่าโกรธไปนานๆแล้วจะลืมก็ต้องย้ำแค้นย้ำใจให้ย้ำเตือนให้ ระ ล, ลึกถึงความไม่ดีของคนคนนี้หรือของคนคนนั้นมันจะได้โกรธต่อไปเศร้าก็เหมือนกันนะเศร้านี่มันก็มีขั้นใจนะแต่บางคนกลัวว่าความเศร้ามันจะเลือนหายไปหวงแหนความเศร้าเหลือเกินเพราะนั้นก็ต้องย้ำเตือนต่ออายุความเศร้าวเวลาความเศร้ามันจะเลือนหายก็ต้องหาทางกระตุ้นให้มันเศร้าต่อเช่นคนที่เศร้าเพราะอกหักถ้าปล่อยเวลาผ่านไป มันก็คลายความเศร้าแต่บางคนนี่กลัวว่าความเศร้ามันจะหายก็เลยต้องย้ําให้เศร้าเรื่อยไปเช่นเปิดเพลงเศร้าๆคนเวลาเวลาคนเวลาเศร้าเนี่ยโดยเฉพาะเศร้าเพราะผิดปังในความรักเนี่ยทำไมชอบฟังเพลงเศร้าแทนที่จะฟังเพลงที่มันกระตุ้นใจให้ฮึกเหิมกระตือรือร้นสนุกสนานแจ่มใสเบิกบาน ฟังกับอยากฟังเพลงเศร้าที่มันทําให้ใจห่อเหี่ยวมากขึ้นเพราะอะไรนะเพราะมันหวงแหนความเศร้าไม่อยากความเศร้ามันเดินหายไปทั้งที่ควรจะรีบทิ้งเหมือนกับที่มือของเรามันก็อยากจะทิ้งขยะทันทีแม้ว่ามันจะเป็นสองข้างทางหรือว่าในที่สาธารณะบางทีก็เป็น สวนสาธารณะบางทีก็เป็นปยังชาก็ทิ้งเลยไม่อยากถือเอาไว้แม้แต่นาทีเดียวหรือวินาทีเดียวแต่ที่เป็นขยะของใจขยะอารมณ์นี่ห่วงแฮเหลือเกินอันนี้เรียกว่าไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องต่อจิตใจเป็นการไม่รักตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมคือว่าไม่เติมทุกข์ให้ใจมันมีทุกข์อะไรอยู่ในใจก็ ต้องรีบสละรีบปล่อยรีบวางแล้วขณะเดียวกันก็ไม่หาทุกมาใส่ตัวโดวยเพราะขยะอารมณ์แต่เดี๋ยวนี้เราชอบเพิ่มทุกให้กับใจเหลือเกินไม่ใช่แค่ปล่อยใจให้ไปจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตหรือไปหมกบุ่งกังวลกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงแต่ว่าปรุงแต่งไปในทางลบทางร้าย นึกถึงปัญหานึกถึงอุปสรรคที่จะตามมานึกถึงการกระทำของใครบางคนที่ทั้งที่ยังไม่เกิดแต่เราวงเอาไว้ก่อนแล้วหรือมิฉะนั้นก็ไปเปิดใจรับรู้สิ่งที่มันทำให้ใจเป็นทุกข์งอย่างนี้ตัวสร้างทุกข์ให้กับใจที่สำคัญนะคือโทรศัพท์มือถือโดยเพราะเวลาเปิดใช้หรือเล่นโซเชียลมีเดีย อันนี้แหละเป็นตัวเพิ่มทุกข์ให้กับใจเลยนะทั้งความหงุดหงิดทั้งความเครียดทั้งความเกลียดทั้งความโกรธรวมทั้งความอยากนะความวิตกกนะ็ยิ่งใช้ยิ่งเสรก็ยิ่งเครียดยิ่งทุกข์แต่ก็วางไม่ได้เพราะว่าจะเรียกว่ามันหลงหรือว่ามันหวงแหน ในความทุกข์ที่มันเกาะกลุ้มใจยังไม่นับพวกเกมออนไลน์นะที่ทำให้เครียดหนักทั้งๆั้นที่หม่ๆก็อาจจะมีความสุขตื่นเต้นอันนี้คือผลที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อยแม้จะไม่ได้ติดเกมออนไลน์แต่ก็ไปติดเรื่องการเมืองเพราะว่าเวลาสนใจเรื่องการเมืองแล้วมันมี ข้อมูลข่าวสารข้อความที่ทำให้เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจเกิดความเครียดยิ่งเครียดยิ่งไม่พอใจฉท่าไรยิ่งสลัดมันไม่ได้ยิ่งดูก็ยิ่งเครียดแต่ไม่ดูก็ไม่ได้เพราะว่ามันขาดสิ่งร้าใจรือเฉพาะคนที่วันๆไม่มีอะไรทำเนี่ยเช่นคนแก่วันวไม่มีอะไรทำรู้สึกว่ามันเป่าเปียวมันโดดเดี่ยวรู้สึกว่าอ้างว้าง แต่ก่อนมีงานทามีอะไรที่มันตื่นเต้นแต่ทีนี้พอกเกษียณแล้วอยู่บ้านไม่มีอะไรทาชืดมันจืดชืดก็เลยต้องหาอะไรที่กระตุ้นให้มันเกิดความตื่นเต้นเราใจเลือดลมสูดฉีดและสิ่งหนึ่งที่มันช่วยก็คือเรื่องการเมืองนี่แหละบางคนที่ดูข่าวดูช่องการเมืองเป็นวันๆเลย ดูไปก็บ่นไปดูไปก็ด่าไปเพราะว่ามันเป็นข่าวของฝ่ายที่ตัวเองไม่ชอบแต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมเลิกดูพอถ้าเลิกเมื่อไหร่มันจะห่อเหี่ยวมันจะไม่มีชีวิตชีวามันจะมีมีสิ่งเร้าใจอันนี้คนเสพติดสิ่งเร่ามากเสพติดรสชาติของความทุกข์ความเครีย ด, ค ว, ค, ยดความเกลียดความโกรธอันนี้เราไม่ทำหน้าที่นะ ไม่ทำหน้าที่ต่อจิตใจงั้นถ้าเราทำหน้าที่ให้ดีเนี่ยนะนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมแล้วก็เริ่มต้นจากหน้าที่ที่เราทำในชั่วประจําวันจะเป็นงานการอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ท่านจาพุทธาบอกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมกินข้าวเสร็จก็ไปล้างจานนี่คือการทํางานอย่างหนึ่งถ้าทําอย่างถูกต้อง ทำด้วยความใส่ใจล้างจานด้วยความใส่ใจวางจานเป็นที่วางช้อนเป็นที่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะจะทำนี้ได้ต้องมีสติจึงจะทำได้ถูกต้องเพราอไม่มีสติเพราะว่าล้างจานไปก็คุยไปด้วยหรือว่าบางทีล้างจานไปก็ดูโทรศัพท์มือถือไป มันก็วางจานวางช้อนไม่เป็นที่หรือจานไม่สะอาดเพียงพออันนี้จะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมได้อย่างไรมันไม่ใช่จะปฏิบัติธรรมมันต้องใส่ใจและเมื่อเราใส่ใจนั่นแหละเราก็ทำอะไรได้ถูกต้องการปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ได้เรื่องยุ่งยากอะไรก็มีอาจารย์ ท่านหนึ่งนะอันนี้เมืองจีนเหมือนกันท่านก็แนะนำการปฏิบัติทําให้กับลูกศิษย์นี่มีใครมีขอคำแนะนำท่าก็บอกเวลาแต่งตัวก็ให้สวมเสื้อผ้าเวลาจะเดินทางก็ก้าวเดินนะเวลาเหนื่อยก็พักนี่ก็คื อ, อการปฏิบัติธรรมแล้ว ทำอย่างถูกต้องทำอย่างถูกลำดับแต่แน่นอนนะจะทำได้ถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องมีสติมีความรู้สึกตัวมีอาจารย์ชื่อดังท่านหนึ่งนะนถ้าเป็นอาจารย์ของสำนักเซนแห่งหนึ่งในประเทศจีนเ <c oughs> มื่อสามสปีก่อนในประเท ศ, เทศไม่ประเทศจีนประเทศญี่ปุ่น ท่านกำลังแสดงธรรมอยู่นะก็มีมีพระอีกสำนักหนึ่งอีกนิกายหนึ่งไม่ไม่พอใจต้องการท้าทายต้องการอวดว่าสำนักฉันดีกว่าก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้ารู้ไหมอาจารย์ของเราท่านมีความสามารถพิเศษ หลายอย่างเช่นเวลาท่านจะวาดรูปเนี่ยท่านก็ยืนถือผู้กันอยู่ที่ฝั่งอยู่ที่ฝั่งหนึ่งแล้วก็ให้ลูกศิษย์ถือกระดาษปล่าอยู่ที่ฝั่งหนึ่งแล้วท่านก็วาดภาพลงในกระดาษแผ่นนั้นผ่านอากาศอาจารย์ของเราทำได้อย่างนั้นท่านทำได้หรือเปล่าอาจารย์ผู้นั้นก็ตอบว่า เรื่องแบบนี้เราไม่ทำหรอกสำหรับเราปฏิหารก็คือว่าเมื่อหิวก็กินเมื่อกระหายน้ำก็ดื่ม <c oughs> นี่แหละปฏิหารยิ่งการปฏิบัติธรรมก็มันก็นีไม่พ้นเรื่องนี้แล้วเมื่อหิวก็กินเมื่อกระหายก็ดื่ม หรือเหมือนที่อาจารย์ท่านหนึ่งบอกเมื่อสักครู่ว่าเนี่ยเมื่อจะแต่งตัวก็สวมเสื้อผ้าเมื่อเหนื่อยก็พักปฏิบัติธรรมมาทั้งหมดก็เพื่อสิ่งนี้แหละฟังดูก็ทำให้มันไม่ค่อยน่าสนใจนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันสิ่งสำคัญเลยทีเดียวเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กินหรือดื่ม นะอย่างที่เราเข้าใจแต่ว่ามันเป็นการกินด้วยความรู้สึกตัวดื่มด้วยความรู้สึกตัวเป็นการทำหน้าที่อย่างถูกต้องคือทำกิจและทำจิตกิจก็คือการทำงานขณะเดียวกันก็มีสติมีความรู้สึกตัวตามไปด้วยซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ เวลากินก็ไม่รู้ว่ากินเวลาดื่มก็ไม่รู้ว่าดื่มเพราะใจลอยนะยิ่งเดี๋ยวนี้แล้วนี่กินไปก็ดูโทรศัพท์ไปดื่มไปก็คุยไปไม่รู้ตัวว่ากินไม่รู้ตัวว่าดื่มคือไม่มีความสึกตัวให้ทําอะไรด้วยความสึกตัวนี่มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมแต่คนเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องพื้นฐานเกินไปมันไม่หวือหวาไม่เร่าใจมันไม่มี ความน่าตื่นเต้นนะแต่นี่ล่ะนะคือพื้นฐานของการปฏิบัติผู้เจ้าก็ตรัสเนะทำอะไรก็ทําด้วยความสึกตัวนะเวลาเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังเวลาเหลวเวลามองไปข้างหน้าเหยวซ้ายแลงขวาก็ทําด้วยความสึกตัวดีความสึกตัวเวลาสะพายบาทฆ่าสังขติหม่มจีวรม หรือถ้าเป็นชาวบ้านก็คือมีความสึกตัวเวลา ส, สวมเสื้อใส่ผ้านะมีความสึกตัวเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มนะมีความสึกตัวเวลาอุจจาระปัสสาวะนะพวกเราทำได้ไหมนะความสึกตัวเวลาทำกิจเหล่านี้แม้กระทั่งเวลายืนเดินนั่งหลับก็รู้สึกตัวนะี่คือการปฏิบัติธรรมนะ มันไม่จำเป็นต้องไปหาเสื้อขาวกางเกงขาวหรือว่าผ้าหนุ่งขาวรองเท้าขาวนะถ้าเป็นผู้หญิงหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องมีอะไรต่ออะไรมากมายมันทำได้ทุกที่เอาการกระทำก็คือการคืนสู่ความปกติธรรมดาในความศึกตัวนี่นก็คือความธรรมดาของจิต แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราคลาดเคลื่อนออกจากความปกติความธรรมดามันทำอะไรด้วยความหลงปรุงแต่งที่จริงเนี่ยความปกติธรรมดาเนี่ยยังรวมไปถึงการรับรู้สิ่งต่างๆโดยไม่ปรุงแต่งเห็นอย่างที่มันเป็นเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยรู้นะว่าเราไม่ได้รับรู้อะไรอย่างที่มันเป็นเท่าไหร่เราปรุงแต่งตลอดเวลาเลย ถ้าไม่ปรุงแต่งก็หมายความก็คือว่าศักแต่ว่าได้เห็นศักแต่ว่าได้ยินศักแต่ว่าได้กลิ่นเวลาได้กลิ่นก็ไม่ได้ปรุงแต่งว่าเหมน็นไม่ได้ปรุงแต่งว่าหอมเวลากินอะไรก็ไม่ปรุงแต่งว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเวลาฟังเสียงได้ยินอะไรก็ไม่ได้ปรุงแต่งว่ามันดังรบกวนโสตประสาทหรือว่ามันไพเราะ เห็นอะไรก็ไม่ได้ปรุงแต่งว่าสวยหรือว่าน่าเกลียดงามหรือไม่งามมันเห็นเป็นกลางกลางนั่นเราทำได้ไหมในการคืนสู่ความปกติเนี่ยคือการไม่ปรุงแต่งซึ่งส่วนใหญ่ทำได้ยากเพราะว่าไม่ได้ปรุงแต่งมีเสียงดังเข้ามาก็ไม่ชอบละทุกแลละเพราะปรุงแต่งว่ามันดังแต่บางทีเสียงไม่ดังนะแต่ว่า มันไม่ถูกการรเทสะเราก็ไม่ชอบเช่นมีเสียงริงทงดังตอนนี้เสียงริงโทงนี่ก็เพราะนะแต่ว่าพอเราให้ค่าตีความว่ามันมันไม่ถูกต้องเราก็เลยไม่พอใจทั้งโทรศัพท์และเจ้าของโทรศัพท์นั้นเราปรุงแต่งมากมายนะ เวลาเรามอคนที่เป็นคนไทยคนนั่นเป็นคนลาวคนนี้เป็นอีสานคนนี้เป็นคนใต้นี่คนนี้เป็นฝรั่งคนนี้เป็นโรฮิงญาคนนี้เป็นมอญเป็นเขมรเนี่ยอนนี้ปรุงแต่งแล้วล่ะปรุงแต่งว่าคนนี้คนรวยคนนี้คนจนเนี่ยเนี่ยเรารู้มากคือปรุงแต่งพราะที่จริงแล้วทุกคนก็คือมนุษย์แต่เราไปปรุงแต่งว่าเป็นไทยเป็นพม่า จริงๆแม้กระทั่งมนุษย์นี่ก็ปรุงแต่งนะนภาษาธรรมกะก็สมมติเพราะจริงๆแล้วนี่พอเราปรุงแต่งว่าเป็นมนุษย์มันก็เกิดความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ทั้งที่มนุษย์กับสัตว์ก็ประกอบไปด้วยขันหมีรูปมีนามเหมือนกันเช่นเดียวกันเวลาเห็นคนนี้เราบอกคนนี้ในกอเห็นคนนั้นคนนั้นหนังขอนี่ก็ปรุงแต่งมันเป็นการปรุงซ้อน รูปและนามหรือขันท่านะสัตว์ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขานี่ก็เวลาเรามองเห็นสัตว์บุคคลเราเขาต้นไม้มนุษย์คนไทยฝรั่งนี่ปรุงแต่งนั่นแหละถ้าเราจะมองให้เข้าถึงความเป็นปกติธรรมดามก็ก็คือไม่ปรุงแต่งเพิกถอนความปรุงแต่งถอนความปรุงแต่งไปมันก็จะเหลือแค่ขันท่าหรือรูปนาม พอพูดอย่างนี้เข้าก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อง ง, ง่ายๆเลยนะเรื่องปกติธรรมดาหลายเรื่องเราไม่ได้ปรุงแต่งเดินนะบางทีมันก็มีการปิดบงังไม่ให้เราเห็นความจริงที่เป็นปกติธรรมดาปรุงแต่งก็อย่างหนึ่งบกปิดให้เราไม่เห็นความจริงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นเห็นว่ามันเที่ยงเห็นว่ามันสุขเห็นว่ามันเป็นตัวตน ไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็ปกปิดความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงสิ่งต่างๆลดเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยังมีคามีคนโบราณเขาบอกเนี่ยมองเสื้อไม่เห็นผ้ามองตุก๊กตาไม่เห็นอย่างสมมุติว่าเสื้อมันก็เลยบังให้เราไม่เห็นผ้าสมมุติว่าตุก๊กตาก็เลยทำให้เราไม่เห็นอย่าง สมมุติว่าในกรในขอก็ทําให้ไม่เห็นรูปนามนะในการที่จะคืนสู่ความปกติธรรมดานี่มันจึงไม่ใช่เรื่องที่ดูง่ายๆหรือกระจอกกระจองนะแต่ว่าให้เราเริ่มต้นน่าจากการที่เราทําอะไรด้วยความรู้สึกตัวกลับมาสู่ความรู้สึกตัวนะทําหน้าที่ให้ถูกต้องทําหน้าที่ด้วยความใส่ใจอย่างมีสติอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม ที่มันจะพาเราจากความปกติธรรมดาที่ดูสา ม, มัญจนกระทั่งไปสู่ความปกติธรรมดาที่เราไม่นึกว่ามันมีเพราะว่าถูกบทบังไปด้วยอยวิชชาบทบังด้วยความหลงหรือพ่อปรุงแต่งจนเรียกว่าหลายชั้นพอกพูนจนไม่เห็นความจริงที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังความปรุงแต่ง แล้วก็ปฏิบัติไปจยกรงทั่งถอนความปรุงแต่งถอนออกไปทีละชั้นทีละชั้นจนกระทั่งเห็นความจริงที่มันไม่มีการปรุงแต่งหรือว่ามองทะลุทะลวงจนกทั่งอวิชชาไม่อาจจะบดบังได้ถึงตรงนั้นแหละหน้าที่เราจะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันคืออะไร